โดยเฉพาะสวนี่ต้องลุกยืนบ่อยๆให้เล่นลมมันผ่านพอเล่นลมมันผ่านแล้วอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นขเาขาเนี่ยเขาจะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ตามหลักขเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาใช่ไมไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเลนลมของเรา มันมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเกิดปั๊บเนี่ยเลือดลมของเราเริ่มทํางานใช่ไหมเราจะหลับเราจะตื่นเราจะทำเรื่องันทํางานทังมันตลอดเวลาเพราะนั้นคือกฎของการเปลี่ยนแปลงแลียกอ น, นิจังแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะต้องหาบาทมาตั้งแล้วเพื่อจะเอาเอานาฬิกาวางเอาโทรศัพท์วางอะไรมาใส่เดี๋ยวตอนใสายเราใส่บาทกันเนาะ แล้วก็เวลาร่างกายมันเปลี่ยนของมันเองเช่นเรานั่งนั่งแล้วมันสบายขึ้นหรือมันหนักขึ้นแล้วนั่งไปนานมันหนักขึ้นหรือมันเบาขึ้นมันหนักขึ้นหนักนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นแสดงว่าอันนี้จังก็อให้เกิดทุกขังใช่ไหมก่อยให้เกิดทุกขังแล้วความทุกข์ที่มันหนักตอนนั้นน่ะมันมันมัน เพิ่มขึ้นแล้วมันเบาลงสมมติเรานั่งห้านาทีมันหนักขนาดนี้ใช่ไหมสิบนาทีเนี่ยความหนักจะอยู่เท่าเดิมไหมนั่นเขาเรียกว่าความทุกข์ก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆไอการที่มันเปลี่ยนตัวได้เนี่ยเรื่อเป็นอะไรไ เ, เป็นอนาตาัตตาอ่ามันไม่คงที่ทอ่ามันไ อ, ไ อ, ไอความทุกข์เก่าดับไปไความทุกข์ใหม่ดับขึ้นมาแต่มันดับมันเองมันเกิดมันเองมันดับเองนี่เราควบคุมมันได้ไหมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ มันตอนแรกมันเบาใช่ไหมสักพักมันก็หนักสักพักก็หนักขึ้นเรื่อยๆมาเข้าบัญชาได้ไหมเป็นอนัตตาตรงนี้หลวงพ่อหรืออาจารมาจะผู้ช่ยช้าเพื่อให้สวาตามทันนะตมัมปิมาเป็นคนไวมากนะแต่ตอนนี้ต้องช้าเพื่อให้ตามทันถ้าความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนเองเนี่ยมันจะนําไปสู่ไตรลักษณ์คืออ น, นิจจงทุกขังอนัตตา พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสรู้ว่าถ้าปล่อยให้อนิจังทุกขงังนาทํางานไปดังนี้มันไม่จะทํางานอยู่แค่กายมันก็ทะลุเข้าไปถึงจิต ด, ด้วยใช่ไหมอ่าถ้าความเป็นอนิจังนี้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็ชอบถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นไงเราก็ไม่ชอบอ่าถ้าเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ก็มีใช่ไหมมันก็มาเปลี่ยนเป็นเวทนาไอตัวอา น, นิจังสามตัวนี่แหละอา น, นิจังมันเรานั่งมันหนักใช่ไหมเราก็พลิกเปลี่ยนเลยพอใจใช่ไหมตอนแรกก็มานั่งหนักนั่งไม่พอใจใช่ไหมรู้หนักพอเปลี่ยนไปปับ๊บ พ, พอใจการเปลี่ยนแปลงเองโดยขณะที่เราเปลี่ยนโดยสัญชาตญาณโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรามีสติไหม วันหนึ่งเราเปลี่ยนแบบนี้มากไห ม, มนั้นแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ทุกต้องกาหนดรู้ไงเพราะเรายืนานานมันทุกใช่ไหมพอเรารู้ปั๊บแต่ขณะที่เราเปลี่ยนนี่เรากำหนดรู้ไหมไม่ได้กำหนดรู้เราเปลี่ยนเองใช่ไหมมันเป็นไปนโดยสัญชตาตญาณ การเปลี่ยนทุกออกโดยสัญชาตยานก็ให้เกิดตัวอวิชชาคือไม่รู้ถึงเปลี่ยนแต่ถ้าหากว่าเราไ่เจริญสติมาหนักเราก็กำหนดซะ ก, ก่อนแล้วค่อยๆรู้แล้วก็เปลี่ยนไปเราเห็นตัวหนักเมื่อกี้มันหายไปไหมตัวเบาเกิดขึ้นใช่ไหมการเข้าไปรู้หนักรู้เบาโดยชัดเจนนี้มันเปลี่ยนเป็นสติทันทีเลยสติ ที่เป็นสัญชตาตญาณแต่มันเปลี่ยนเองโดยที่เราไม่รู้เป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติของสัญชตาตญาณแต่ถ้าเราตั้งใจเปลี่ยนเราเห็นอาการหนักหายไปอาการเบาเกิดขึ้นชัดเจนสตินั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสติที่เป็นปัญญายาณเห็นไหมอันนี้คือข้อเชื่อมต่อที่สำคัญเพราะนั้นเราทำไมจะมีการเคลื่อนไหวเพราะเราต้องการบาบัดทุก ถ้านิ่งแล้วมันทุกข์ใช่ไหมเราก็เคลื่อนปรับนู่นปรับนี่เพราะทํำไมต้องเปลี่ยนเพราะให้มันสอดคล้องกับกฎของอ น, นิจจังมันเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาตัวจักข้างในที่มันเปลี่ยนแปลงข้างในเนี่ยอ น, นิจจังเกิดเราก็ปรับตามมันเพื่อจะบําบัดทุกข์แต่การบําบัดทุกข์นั่นเองมันมีสองรดับหนึ่งบำบัดด้วยความรู้เรียกว่าวิชาสองบำบัดด้วยความไม่รู้เรียกว่าอาวิชานานนานเห็นแล้วใช่ไหม พราะฉะนั้นถ้าหากเราเรียนอย่างถูกต้องการเอาใจเห็นทั้งอริยสัจสี่แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ทำงานร่วมกันตลอดแต่ว่าถ้าเรากําหนดรู้ตามรู้มันจะกลายเป็นอริยสัจถ้าเราไม่มีสติตามรู้มันจะกลายเป็นอะไรโมหะทันทีเลยเป็นอวิชชานี่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลงไปตรงนั้นเลยเข้าสู่หลักคํามเป็นสมขัมดทันทีแต่ว่าอันนั้นรายละเอียดนะเอาละ ทีนี้เราจะเปลี่ยนนะนะก้าวเท้าไปข้างหน้านิดหนึ่งรู้ไหมว่าก้าวขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งรู้ขยับกลุ่มนวดนงนิดหนึ่งรู้แล้วก็โยนขาหลังไปข้างหลังเอาเข่าลงรู้สึกตัวไหมรู้สึกนะเอาเข่าซ้ายลงรู้สึกห้า นั่งครึ่งหนึ่งก่อนอยันเพิ่งนั่งหมดเอาครึ่งหนึ่งก่อนเราเห็นว่าเมื่อกี้เรายืนรู้สึกสบายกว่าใช่ไหมพอมานั่งท่านี้สบายไหมไม่สบายหรอกเพราะอะไรเพราะเรามันไม่เคยท่ายืนเรามันเคยใช่ไหมไม่สบายแล้วท่านี้มันก็จะมีบริเวณแคบกว่าฝ่าเท้าของเราปลายเข่านี่ใช่ไหม พราะาน้ำหนักมันไปรวมอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่น้ำหนักตรงนั้นก็ไปกดทับเส้นเลือดลมทําให้เลือดลมผ่านยากหรือผ่านง่าย <Yeah. S 1> ผ่านยากเมื่อผ่านยากมันหนักหรือมันเบา <Yeah. S 1> มันหนักนั่นเพราะเราไปบล็อกอกดของอา น, นิจังอา น, นิจังผ่านตรงนั้นไปร้อปอ็พอไปกดทับมันป๊อปเหลือแค่สิบเปอร์ซตอตัวเก้าสิบเป็นความหนักใช่ไหมเป็นความหนักนั่นก่อให้เกิดทุก ข, ขังละ ทีนี้เราจะนั่งยนี้ได้นานไหมไม่นา น, น, านเราก็ต้องเปลี่ยนอันนี้จังใช่ไหมแต่เปลี่ยนด้วยความรู้หรือไม่รู้รทีนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วถ้าเราไม่ฝึกตัวรู้เยอะๆเนี่ยมันจะรู้ทันแบบนี้ทุกครั้งไหมไ ม, ไม่ทันเพราะฉะนั้นมานีเราจึงมาฝึกตัวรู้เพื่อให้รู้เท่าทันอาการทุกทุกต้องตามรู้ใช่ไหมทุกต้องศึกษาทุกต้องทำความเข้าใจ แต่ที่แล้วมาเลยเราจะหลบจะหลีกจะหนีทุกจะหลบทุกจะเลี่ยงทุกจะพ้นทุกอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องทำความเข้าใจทุกต้องเป็นยังไงวิเคราะห์วิจัยแต่อะไรที่พระท่านสอนให้ละคืออะไรเหตุของมันใช่ไหมที่ความทุกข์เกิดขาขณะนี้มันหนักขนานี้เหตุของมันเพราะ เราไปบล็อกกฎของการไหลเวียนของอนิจจังเอาไว้เพราะฉนั้นอนิจจังมันถูกบล็อกเราทําผิดเหตุเราต้องไปละที่เหตุเหตุก็คือเราละท่านี้เสียเอาลองๆนั่งดูลองนั่งในอัศานะนั่งลงนั่งในอัศานะความหนักหายไปไหรือยัง น, นั่นไปละที่เหตุผลปรากฏเป็นไงหนักหรือเบาเบาเรารู้ไหมว่าเบามายังไงหนักหายไปไหนรู้ใช่ไหมตัวนี้เป็นสติ ตัวนี้เป็นสัมปชัญญะตัวนี้เป็นปัญญาแทนที่จะเป็นทุกขังอนัตตาใช่ไหมมันเป็นสติปัญญานี่พอเปลี่ยนเป็นสติสมาธิปัญญาปับ๊บโกรธของไตรสิกขาจึงเกิดขึ้นจากโกรธใจรักนั่นแหละแต่เมื่อเรามีวิชาโกรธใจรักเปลี่ยนเป็นไตรสิกขาเริ่มามีอวิชาโกรธใจรักเปลี่ยนเป็นพอใจไม่พอใจแล้วก็ ไม่รู้เป็นเวทนาทั้งสามใชม่เปลี่ยนเป็นสุขเขวเวทนาทุกขเวทนาอทุกรมสุขนาทางกายพอเปลี่ยนมาเป็นตัวเวทนามาเปลี่ยนพอความเกิดความพอใจเรียกว่าอะไรตัวเวทนาที่สองเรียกว่าโสมนัสเวทนาเกิดความไม่พอใจความหนักเกิดโทมณัสเวทนาไม่พอใจอันนึงเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ทั้งพอใจทั้งสบายไม่พอใจฉันเปลี่ยนลูกเดียว เป็นอะทุกขมสุ ข, ขเวทนาเห็นไหมมันมาเปลี่ยนจากตอนแรกมันอยู่เวทนาทางกายสุขทุกข์อสุขไม่สุขพอเราขาดขาดวิชาเราเปลี่ยนด้วยอวิชามันก็เปลี่ยนเป็นเวทนาทั้งสามเป็นโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาดังนั้นเมื่อต้นชั่วโมงเราสวดทีคังว่าอาาัสสะสั้นตัวทีขังอัสสะซ่ามิติปชาณติ ที่ครั้งว่าอาสาสันโตเมื่อหายใจเข้ายาวลึกใช่ไหมที่ครั้งอ า, าสัสซามีติประชาติติให้รู้ชัดๆว่าเราหายใจเข้าลึกแต่ส่วนใหญ่เลาเานั่ยเราเปไงเราหายใจแผ่วลงแผ่วลงในที่สุดเหมือนไม่หายใจเลยนะเข้าสู่ความสงบปั๊บเลยนิ่งไปเลยนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะสติตามรู้ไม่ตลอดไม่เป็นสมมาสติสมมาสมาธิจึงไม่เกิด เพราะสมาธิแบบนี้จึงนำไปสู่สมาธิที่เป็นความสงบขั้นลึกก็กลายมีพลังพลังจิตพลังชาญขึ้นมาสมาธิแบบนี้ก็จะกลายเป็นพลังของจิตจิตมีพลังแต่ไม่ได้กลายเป็นพลังของปัญญานะแต่พอเราตามรู้ถึงลมเข้าไปแล้วเนี่ยมันทะลุทะลวงเข้าไปถึงไหนเรารู้ไงว่ามัน ตรงไหนทะลุตรงไหนไม่ทะลุลมเข้าไปในร่างกายทะลุถึงท้องไหมมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันทะลุต่อไปอีกเข้าสู่เส้นสายเลือดลมพาเลือดพาลมให้เดินใช่ไหมลมอ่ะพาเลือดลมเดินไปตรงไหนที่มันไม่ทะลุมันจะรู้สึกไปไงหนักใช่ไหมตรงไหนที่มันทะลุมันรู้สึกเบาทีนี้เราจะทํายังไงแล้วก็ปรับลมให้มันผ่านขยับนิดหนึ่งไม่ต้องขยับมากขยับนิดหนึ่งก็ผ่านละ ถ้าเราปรับเรื่อยขยับเรื่อยแต่ถ้าหากว่าสายสมถา ก, ก็คุณขยับไม่ได้คุณต้องนั่งนิ่งๆนะนั่งตัวตรงนิ่งเลยนะขยับไม่ได้เดี๋ยวจิตมันจะไม่นิ่งนี่วิธีสมถะแต่วิปัสนาคุณปรับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเพื่อทําวิปัสนาให้ถูกเพราะส่วนใหญ่เราก็ทําไปแล้วก็เรียกวิปัสนาแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นสมถามดเพราะว่าตัววิปัสนานนั้นเป็นตัวเห็นชัดๆวิปัสนาเป็นเห็นชัดๆ เห็นแจ้งท no ีเดียวว่าเราอารมณ์เข้าไปเนี่ยเห็นชัดว่าอมมันไปทางไหนบ้างแต่ไม่ได้นึกถึงลมนะนึกถึงว่าอาการของลมอาการของลมก็คือตรงไหนที่มันผ่านสบายมันจะเบาแต่ตรงไหนที่ไม่ผ่านมันจะหนักใช่ไมเราก็อยดูอาการหนักอาการเบาอาการหนักอาการเบาเนื้ออาการของลมถ้าอาการหนักมันสบายหรือไม่สบายไม่สบายใช่หมอ่าไม่สบายถ้าอาการเบามันสบายถ้ามันหนักอยู่นาน ไม่สบายพอไม่สบายเราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเป็นความไม่พอใจเลยมันจะเปลี่ยนมเปนเป็นแช่เป็นนิ่งเป็นอึดอัดเป็นลาคา่นิดๆความเบื่อก็จะมาพอทนทนต่อไปเบือ่อสุดมันก็นง่วงมาก็ย่างนี้นวร์ก็จะมาละทีเนี้ยตามลําดับอ่านิวร์ความง่วงความเบือ่อความเซงความไม่แช่มชื่นไม่ตื่นโพลงความ ง่วงเหงาวหาวนอนความฟุง้งซ่านความรังเลอะไรก็มาตามสายของมันเพราะเราไม่ไปปฏิบัติตามกฎของอนิจจังตัวอนิวรทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเหตุของทุกขังพอเราเข้าไปปรับปับให้มันบสบายร่ออางกายสบายปลอดโปร่งความรู้สึกก็ปลอดโปร่งไปด้วยใช่ไมก็เกิดตัวเป็นสติสมาธิปัญญาขึ้นมานี่เป็นวิปัสสนาละเพราะฉะนั้น เมื่อเช้าเราเรียนเรื่องของอาณาปาณสติตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของอิเดียบทสี่เรียกว่าอิเดียปทะปะพะัพะและอิเดีบทย่อยลงกันเรียกว่าสัมปัญญปะปัพะในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนเช้าสาธิตในการลมเข้าลมออกตัว น, นี้ก็จะสาธิตในเรื่องอยมผู้ชายไปเอาเก้าอี้ข้างหลังให้หลวงพ่อตัวนลวงพ่จะมานั่งเก้าอี้ข้างหน้าตนตัวนี้มันบงังเพราะจะไม่เห็นมือ พอขาก็อี ข, อ ข, ออข้างหลังอเออนี่ก็ได้ข้างนู้นก็ได้นี่ก็ได้นี่เดินไม่ต้องใช้เราคนเดียวพอคนเดียวพอนั่งลงพอหลวงพ่อบอกว่าไปเข้า อ, อีบปั๊บเนี่ยเราขยับตัวลุกในรู้ทันไหมโยมเม่อี้ขยับยังไงตัวรู้ทันไหมไม่ทันใช่ไหมไม่มีทันหรอกเพราะว่าตัวรู้เรา ย, ยังไม่พอพอหลวงพ่อบอกว่าไปเอาอีบปับ๊บเราขยับตัวทันทีเลยเราไม่ได้ตามรู้ใช่ไหม นีคือในชีวิตประจำวันของเราเราจะตอบสนองสิ่งที่มากระทบที่ไวมากพอเราสั่งสมตัวรู้ไม่พอเราเลยตอบสนองด้วยวิชาหรืออวิชาด้วยอวิชาเพราะฉะนั้นตันหาอุปาทานก็เกิดขึ้นตามลาดับนะเพราะฉะนั้นเอาละทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเรื่องของกายมีอยู่6เรื่องหงลมหายใจเข้าออกสอง อีบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอน 3. อีบทย่อยเรียกว่าสัมชปชัญญะระับตาอาปากหายใจเร็วใสแลงขวากุมเงยหยิบยับจับสวยกุ้มเดินต่างๆเราจะเอาตัวอีบทสกับอีบทย่อยมารวมกันขณะนี้อีบทสเราอยู่ในท่าไหนต่านี้เขาอยาอยู่ท่าไหนนั่งท่าไหน ถ้านั่งอย่าพิงถ้านั่งพิงแล้วมันเสียศูนย์พอเสียศูนย์ความทรงตัวก็จะเสียไปการตื่นรู้ก็จะหมดไปสมมติเรานั่งตรงเนี่ยร้อเป็นใช่ไหมพอเราพิงปับ๊บน้ำหนักหายไปเท่าไหร่อย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งเลยนะกำลังความทรงตัวเราไม่เหลือเลยเมื่อน้ำหนักของเราหายไปปับ๊บเนี่ยความทรงตัวไม่เหลือสักพักหนึ่งความง่วงก็จะมาเพราะมันสบายใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องเอาสบายเราเอาครึ่งเดียวเพราะนั่นเวลาไปนั่งก็อี๋หลวงพ่อไม่ให้นั่งเต็มร้อเอร์นะให้นั่ง5้อร์เให้นั่งครึ่งเดียวนะยอมนั่งโดยนั่งมันนิ่มนะนะเออถ้าเป็นนี่ยพิงอีกนี่ยิ่งสบายเลยเพางนะั้นเข้าสมาธิหลับปุ๋ยเลยมันนะแต่เราจะมาเรียนเรื่องวิปัสสนาสมถะทํามาเยอะแล้วพอแล้วนะวิปัสสนา ก, ก็คือเราจะตื่นรู้และตามรู้เรื่อยๆ หนักเบาเข้าออกในท่านั่งนะแต่ท่านั่งนี่เป็นอิยบทสี่หนึ่งในสีนะ่นะนิสินโนวานิสินโนมาฮติปชาณาติวันต่อไปเราจะสวนเรื่องนี้เมื่อนั่งก็ให้รู้ว่านั่งอยู่นิสินโนนินิสินโนวานิสินโนมาีติปชาให้รู้ชัดชัดว่าเรานั่ ง, งฉันก็รู้ชัดนี่ว่าฉันนั่งไม่ใช่รู้ชัดแบบนั้นรู้ชัดในที่เรานั่ง สบายหรือไม่สบายเรานั่งตื่นหรือเรานั่งหลับเรานั่งสงบหรือไม่สงบเรานั่งเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยรู้ชัดอย่างนั้นรู้ในรายละเอียดของมันนะถ้าหากว่านั่งไปแล้วมันสบายเกินไปก็ปรับออกถ้ามันไม่สบายเกินไปก็ปรับออกให้มันเป็นไงพอดีสบายเกินไปก็สุดตรงไปทางสูงใช่หม เลืกขข่การมสุขานิการนุโยกถ้านั่งแล้วบีบคั้นจนกระทั่ ง, งเอามันเป็นหน้าตาบีบันให้หนักเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ไหมปล่อยให้มันเจ็บให้เต็มที่แล้วก็ไปถือเอาอาการเจ็บอาการปวดอาการทรมานตัวเองเป็นตะบะแล้วก็เกิดว่าฉันแน่ฉันนั่งได้นานกว่าแกแต่คนไหนลูกเลี้ลูกเลือนเป็นบ่อยแสดงว่าแกไม่แน่ตะบะสู้ฉันไม่ได้เกิดอะไรเกิดมาหาอ้าตาใช่ไหม อ่านันมณะอัตตาตามมาเพราะนั้นสมถะมันจึงไปอริยะไม่ได้เพราะมันทําให้เกิดมณะอัตตาตามมาอย่างสูงสุดแค่พรมใช่ไหมตามหลักสูตรของเขานะ่ะเอามาก็มาศึกษาเอ๊ะทำไมไปไม่ได้ล่ะสมถะก็เพราะว่าสมถะมันทําให้ไปติดสงบแล้วไปติดพลังของจิต พอไปติดแล้วเกิดมณัตตาตามมาว่าฉันทําได้มากฉันได้ดีกว่าแก่ฉันได้นานกว่าแก่ฉันทําได้ลึกกว่าแด่ชันฉันสูงกว่าแกแก่ชันต่ํามันก็เกิดมณัตตาขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไปอริยะภูมิไม่ได้แต่วิปัสนาจะข้ามตัวนี้ไปโดยที่ไม่สนใจเรื่องว่าสงบหรือไม่สงบแต่จะสนใจว่าร่างกายจิตใจพอดีกันไหมสมดุลกันมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรให้ละทางทั้งสองใช่ไหมบรรพชิตไม่ควรเสพทั้งสองสบายเกินไปก็ไม่เอา ทุกเกินไปก็ไม่เอาทุก็เป็นอาตมากิลมถานุโยคทรมานตัวเองสุขก็การมรรส ก, ก็คือการเสพสความสบายแต่ท่านบอกว่าเอาให้พอดีเอาสุขเอาทุกมาผสมกันได้พอดีคือตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาท่านบอกปัญพชิตคนทําตามนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาิธรรมอย่างไรทําอย่างไรก็คือทําอันหนึ่งให้เห็นว่าร่างกายเนี่ย มันเป็นที่ตั้งร่างกายและวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของของสามอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เป็นที่ตั้งของอะไรบ้างอะนิดจังทุกขังอนัตตามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะรูปวันนี้นะมันจะต้องมีคุณสุบัติสามอย่างนี่แต่เพราะเราไม่ได้เรียนวิปัสสนา เราไปสําคัญว่ารูปนี้เป็นที่ตั้งของใครของเราเป็นที่ตั้งของกูกูมึงอย่ามาทํากูนะมาผิดหูกูไม่ได้นะไปนู่นเลยนะนี่คือมันมาผิดตรงนี้แทนที่เราจะบอกว่าอย่ามาถูกอันนี้จังทุกขังหน้าตานะทุกขังอนนี้จังอะารนี้ก็ไม่เที่ยงนะมันสามารถจะชกหน้าคนได้นั่นี่ไม่ได้แล้วอันนี้จังทุกขังมาแมันชกไม่ได้นะแต่ถ้ากูนี่ชกได้เลยมันนะมันไปเข้าใจผิดตรงนั้นดังนั้น เราก็มาทําความเข้าใจเสื่ใหม่ว่าให้เกิดสมาธิฐิให้เห็นว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของอนิจนนจังทุกขังอนัตตาสองอนิจจังทุกขังตามีเหตุไหมมีเหตุที่มาไหมมีเหตุที่มาเพราะมาจากความไม่รู้ถ้าหากพ่อแม่เรารู้วิปัสนาเราจะได้เกิดมาไหมไม่ได้เกิดเพราะความไม่รู้ของพ่อแม่บรรพูลูกก็ทําให้เราเกิดมาเราก็มาเสววิบากกรรมตงมาสูงมาทุกกันตลอดชีวิตเนี่ยใช่ไหม มีเหตุมาจากความไม่รู้ความไม่รู้เรียกว่าอะไรอวิชชาน่ะเหตุมาจากอวิชชาของปู่ย่าตายายถ้าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราได้ทัศเรียนวิปัสนามาก่อนที่จะมีเราเนี่ยเรามีโอกาสได้เกิดไหมไม่ได้เกิดเมื่อเราได้เกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์ใช่ไหมไม่ต้องมาเป็นอนิจจังทุกขังกน่าตายอย่างเงี้ยที่มาเป็นนิจจังทุกขังมาแต่เพราะท่านไม่รู้แล้วพอทำเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมเกิดมาก็ไม่ได้เรียนวิปัสนามาเรียนเราตอนแก่แล้วจะไหวไหมเนี่ย บางคนโอ๊กูรู้อย่างนี้กูไม่แต่งงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เราสายไปใช่แล้วนะไหนก็ไห น, ไหนอ่ะช่างมาันเถอะมาแก้เอาถึงจะแก้เช้าไปหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่แก้ใช่ไหมเราก็มาเรียนวิปัสนาพระพุทธเจ้าสอนวิปัสนานะไม่ได้สอนสมถะแต่ว่าเมื่อมีคนปฏิบัติมาก่อนแล้วท่านก็อนุโลมเอาสมถะเข้ามาแต่าสถาถะที่เอื้อต่อวิปัสนาไม่ใช่สมถะที่เป็นแบบพราม์ที่เขาทํามาก่อนสมถะที่เอื้อวิปัสนาก็คือยอย่างไรก็คือเอารูป นี่แหละเป็นที่ตั้งของสติสมาธิปัญญาแทนที่จะเอารูปรือเป็นที่ตั้งของอวิชชาตันหาประธานนะเอาละเข้าใจถูกแล้วว่าสมาธิิมีความหมายอยู่สอย่างหนึ่งให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นที่ตั้งของอนิจจ์ทุกขังหน้าตาสองอนิจจ์ทุกขังหน้าตานี้มีเหตุมาจากอาวิชชาสา ละอวิชาเรามาสร้างตัวรู้ใช่ไหมสี่ทำตัวรู้ให้มากขึ้นเพราะตัวรู้นี่มันจะไปดับตัวไม่รู้คือเป็นนิโรธใช่ไหมแล้วทําให้มากๆขึ้นก็เป็นมรรคละนี่เดนิฟิชั่นหรือคําจํากัดความของคําว่าสมาธิฐิคือรู้เรื่องสี่อย่างหรือเรื่องทุกขเหตุเกิดทุก การดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์แต่ละาเอมาอธิบายสมัยว่ารู้เรื่องของอนิจจังทุกขังพราะทุกขังก็อยู่ในแต่เราจะว่าทุกขังอย่างเดียวไหมทุกขังมันมีเหตุใช่ไหมเกิดจากอะไรทุกขังเกิดจากอนิจจังเออเกิดจากอนิจจังอนิจจังทําให้เกิดทุกขังทุกขังทำให้เกิดอะไรอนัตตามันมีเหตุทีนี้พอเรามารู้เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็น ศีล ส, สมาธิปัญญาเสียด้วยการใส่อะไรเข้าไปใส่ตัวรู้คือสติเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจึงมาเจริญสติให้มากเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนอนิจจังทุกขังร่าตาให้เป็นศีล ส, สมาธิปัญญามันเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนได้อย่างสมมติเรานั่งเนี่ยมันติบ็บมันปวดมันหนักนี่ถือว่าปกติไหมป ก, ปกติคือทุกใช่มโยมยาปกติทุกหรือปกติไม่ทุก อเอาปกติที่ไม่ทุกเนื้ขณะนั่งเนี่ยมันหนักเป็นปกติใช่แต่ปกติที่ทุกเนี่ยปกติที่มันเป็นสัมมารหรือมิจฉาเป็นมิจฉามันผิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบมั น, นอ่ะเออถ้าหากว่ามันถูกเราต้องชอบมันทีใช่ไหมอันนี้เราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเนี่ยปกติถ้าหากว่าปกติคือมันไม่สุขและไม่ทุกนั่นแหละเรียกว่าปกติถ้ามันสุขมันสบาย ก็ผิดปกติไม่สบายก็ผิดเอาเป็นกลางกลางสบายครึ่งหนึ่งไม่สบายครึ่งหนึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เอาตรงกลางกลางมันทีนี้จะทำไงให้เป็นกลางก็คือเปลี่ยนให้มาเป็นไม่ทุกข์ซะอันนี้ปกติไหมปกติแบบนี้ดีไหม <Okay. S 1> อาปกติที่ไม่ทุกข์นี่เองศีลแปลว่าปกติศีลที่เป็นวิปัสสนานะแต่ศีลที่เป็น สมมติาและเป็นศีลธรรมแปลว่าข้อห้ามแปลว่าข้อเว้นแปลว่าระเบียบแปลว่าวินัยไปอันนั้นเป็นศีลที่เป็นสมมุติเป็นศีลสังคมแต่ศีลที่เป็นศีล ป, ปรมาจาร์แปลว่าปกติทําให้มันปกติแต่ปกติมีสองอย่างปกติสุขและปกติทุกปกติทุกและปกติไม่ทุกเอามายไม่อยากจะใช้คําว่าสุขทุกข์เพราะมันของตรงข้ามอย่างที่ว่าแต่ถ้าไม่ทุกเนี่ยมันเหนือทั้งสุขทั้งทุกเอาปกติที่ไม่ทุกนะตกลงกันก่อน เอาละนั่งไปนั่งมามันสบายเริ่มพิงเลยใช่ไหมนี่เห็นไหม ม, มันลืมเพราะตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งพอเราพิงปับนะ๊บเนี่ยอันนี้หลวงพ่อไปอบรมกับท่านหลวงพ่อที่นั่นหันมานะท่านบอกไอ้นั่งอย่างเงี้ยมันเป็นการเสียศูนย์เราร้อยน้ําหนักร้อยเนี่ยมันจะเหลือแค่ยี่สิบทีนี้เรายี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นตมันหายไปเลยความทรงตัวไม่พอการตื่นรู้ก็ไม่พอเมื่อการตื่นรู้ไม่พอเราก็จะสงบสบาย จากสุขเวทนามาเป็นโสมนัสเวทนาไปว่าพอใจใช่ไหมพอใจพอนั่งสบายเป็นจากโสมนัสเวทนากายเป็นนันทิคือเพลินพอเพลินแล้วก็นันทิ่อให้เกิดอภิชาอยากจะได้เยอะๆนั่งอยู่เงี้ยนานๆแช่ๆนานๆแสงให้มันอภิชาจึงเกิดนันทิ่อให้เกิดอภิชาแล้วอภิชาพระพุทธเจ้าบอกให้ตัดอยู่สองเรื่องใช่ไหม กายเยกายานุปัสส่วิห า, าติอาตาปีสติมาสัมปชาโุวิไนยะโลเกอภิชาโทมนานัสสังที่เรามาเจริญสติพิจนาการอย่างนี้ด้วยสัมปชัญญะและด้วยสติจะตัดเรื่องได้สองเรื่องตัดอภิชาและโทมนสัสอภิชาคือเนี่ยเพลินไปเรื่อยๆนี่แหละเฟ่งหาคอยสู่ไปเรื่อยๆกินก็กินเพลินๆด้วยกันกินใช่ไหมอ้วนเนี่ยพเพราะเพลินในการกิน นันที่ก็ให้เกิดอภิชาก็ากินเยอะเยอะแล้วเร่งเพ่งหาอะไรที่มันจะสบายเนี่ยเพ่งหาอร่อยอร่อยใช่ไหมเพลินกินแล้วแล้วก็ก็ให้เกิดราคะนันทีราคะสหคตาใช่ไหมในธรรมจักอะนันทีก็ให้เกิดราคะมันก็จะทําให้เกิดราคะนันทีราคะคือความอยากให้มากกว่าเดิมราคะก็ให้เกิดอะไรกามม่ฉันทะตัวนี้วรตัวที่ดูให้ดีนะ ตัวนิวรณ์มันเกิดจากอะไรไม่ใช่จู่ๆมันจะมาแล้วมันจะมีที่มานิวรณหนึ่งเกิดมาหนึ่งความสบายหรือกสุขเวทนาสุขเวทนาที่ขาดตัวรู้ก่อให้มาเป็นตัวโสมนัสเวทนาคือความพอใจความไม่ความพอใจขาดตัวรู้ก็ให้เกิดความติดใจเพลินนันทีใช่ไหมพะนันทีเพลินแล้วขาดตัวรู้ก่อให้เกิดอยากแก้ตัวอยากให้เพลินมากๆเป็นอภิชาอภิชา ก็ยังไม่มีสติกำหนดรู้ก่เกิดเป็นกามาชันทะตัวที่ห้านั่นะถึงเจตทะลุถึงนิวรณมันที่ไปที่ไปที่มาเพราะนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมอย่าให้ตัวกามาชันทะมันเกิดก็ต้องมาตัดที่สุขเวทนาอย่าปล่อยให้สุขเวทนาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นโสมนัสนันทิอภิชา เราถึงไปเป็นราคะเป็นกามาชันทะเห็นไหมโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยพอขาดตัวรู้ตัวเดียวขาดวิชาตัวเดียวเพราะนั้นในวิธีการหลวพ่เทียนจึงม่เน้นย้ำแต่ตัวรู้ให้รู้เยอะเยอะเยอะรู้เยอะเยอะเพื่ออะไรหนึ่งให้มันเข้มแข็งสองให้มันไวถ้าตัวรู้เราช้าทันไหมไม่ทันพอไม่ทันแล้เดี๋ยวก็พิงไปแล้วนะ เผลอผิเลยพอตัวเผลอมันมาอภิชามันเข้าไว้มากกันนะเพราะเราอยู่กันม า, มาตลอดชีวิตวใช่ไหมพอเผลอปับ๊บอวิชาญไปว่าเผลอพอตั้งพอตัวรู้ปับ๊บมอนนั่งใหม่ปรับบ่อยๆเราจะไม่ไปปฏิเสธมันหลงก็ลืมมาด้วยกันหลงกรล็รู้มาด้วยกันถ้าไม่มีตัวหลงไปเผลอไปก่อนนะเราจะรู้ได้ไหมไม่รู้แต่ที่เรารู้ว่ามันเผลอก่อนเราถึงรู้ เพรานั่นก็มาสลับกันหลงแล้วก็รู้รแล้วก็หลงหลงก็รู้รหล ง, หล ง, หลงสลับกันแต่ถ้าเราตามรู้หลงสลับกันไปอย่างนี้มันก่อให้เกิดความรู้ตัวใหม่เรียกว่าสัมปัญญะรู้พร้อมรู้เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดนี้มาว่ามันไปทางนี้เนี่ยชาวพุทธของเรามันจะไม่ไปไหนเพราะว่าไม่ได้มารู้เหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์จริงๆ เอามาเป็นมหาปริยนจบมหาจุลาแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะแต่ทำไมไปรับวิธีการหลวงตาแก่ๆอย่างหลวงพ่อเทียนเข้ามามันไม่ใช่ปกติแน่นอนเลยเอามาใช้เวลาวิเคราะห์วิจัยอยู่หลายปีกูจะรับได้กูเอามาจะเข้าใจได้ชัดอยู่กับหลวงเพียนเป็น1ิปีนะแต่หลังจากเข้าใจชัดอะไรไปไรมาเอาเรื่องนี้มาต่อเราเลยตั้งแต่พศเอามาพบหลวงพ่อเทียนปีพศสองร สิบเก้าต่อกันกลัวจะมาทะลุทะลวงแบบหายสงสัยปี29งเก้สสปีทําไมจึงชา้าได้โยมในสามวันทะลุแล้วเพราะอะไรเพราะโยมไม่ได้มาสงสัยอย่าไปตมาโยมไม่ได้เป็นมหาป ร, ริญญายอมไม่ได้ไเห็น ไ, ไม่ได้รู้ตำราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมมันไม่สงสัยแต่คนพระเนี่ยสงสัยเยอะที่สุดเพราะไปเรียนเยอะแต่ว่ามันไม่ถูกเรู้มากแต่มันรู้ไม่ถูกมันก็เลยสงสัยมากสงสัยมากมันก็เลยช้ามากไง เพราะอะไรเพราะมันคาสงสัยเอามาก็เอ๊ะทำไมของพรอเทียนป .4 ก็ไม่จบจบเรียบป .2 เราก็ไม่ได้เรียนภูมิปัญนาไม่ได้เรียนอะไรเดีวก็มาลุทำอะไรที่ไหนเอามาตอนแรกรับไม่ได้นะแต่มาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนอย่างอาจารย์กุวิทย์เขมาเป็นมือขวาของหลวงพ่อพุทธาส น, นะแต่มายอมของพ่อเทียนส่งพระไดพิิดกอาจารย์กวิทนะ พ่เมื่อก่อนมาอยู่ส่วนโมกใช่ไหมก็ชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสืจอจรพุทธธาตุยากแต่มาอ่านหนังสืออาจารย์กูริดง่ายแล้วเข้าใจง่ายก็ติดตามท่านพอปีหนึ่งแปอาจารย์กูริดมาพบมามาเป็นอาจารย์กรรมฐานอยู่ที่วัดชมพูฐานพอปีนั้นมาเกิดปัญหาด้านการเมืองนักศึกษาหนีเข้าป่ากันเยอะใช่ไหมแต่อีกพวกหนึ่งก็หนีเข้าวัดไปบวชปีนั้นนักศึกษาเข้าบวชตั้งร้อยกว่าคนหลวงพ่อปัญญาก็เลยไปหาพระกรรมฐานมาสองสาย สายีสารรูปหนึ่งสายใต้รูปหนึ่งพ่อสายใต้ถามอาจารย์พุทธทาตุจารยพุทธาธาตส่งอาจารย์กุลิมาสายสารถามหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดมืองเลยเพราะท่านคุ้นกันพระราชว ร, รมมณีนะสมัยนั้นพระราชบ ร, รเจ้าคณะจังหวัดเลยสมัยนั้นรู้จักหลวงพ่อเทียนดีเข้าใจหลวงพ่อเทียนดีว่าหลวงพ่อเทียนบรรลุทรรอะไรท่านส่งหลวงพ่อเทียนมาเลยอ่า ก็ปรากฏว่าอาจารย์กรรมฐานสองสายเนี่ยมาตอนแรกพวกนักศึกษา ท, ที่บวชเนี่ยไปฟังอาจารย์กุวิทย์เพราะลูกศิษย์ท่านเป็นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ในมหาลัยลูกศิษย์ท่านนั้นนะ่ะอาจารย์กุวิดที่คนฟังทุกวันทุกวันแต่ เ, เรื่องเก่าไป็นไงมันก็เบื่อใช่ไหมมันก็เบื่อฟังแล้วก็เหมือนเรื่องเดิมแหะพูดทุกวันน่ะเรื่องเดิมวนไปวนมาทีนี้ก็ไปหาอาจารย์สมศงบุญลิลิตซึ่งเป็นประธานชมรมศีลธรรมแห่งประเทศไทย ที่พานัศนกศาขบถบทนี่ก็ไปถามอาจารย์อาจารย์นี่ไปถามหลวงพ่อปัญญาว่ามีพระกรรมฐานอยู่ไหมเออบอกมีเออลืมไปนิมูลหลวงพ่อเทียนมาโนอยู่ไทยวัดน่นว่เอามาไว้ไทยวัดนู่นนะไม่ได้เอาม า, าไว้ข้างหน้าเลยนะเออต้องไปถามท่านดีเลยหลวงพอ่พอพูดภาษาภาคกลางไม่ได้เรื่องของเรื่องอ่ะพูดภาษาอีสานพูดภาษามืองเลยพูดภาษาเมงเลยนี่เหมือนมันกนภาษาทางหลวงศักนะไม่ได้เหมือนภาษาอีสานทั่วไปนะ ก็พากันไปเอ้พูดไม่รู้เรื่องทําไงก็เระตอนนั้นหลวงพ่อคําเขียนกับอาจารย์ดาไปด้วยไปไปล่ามก็พูดผ่านหลวงพ่อคําเขียนให้อาจารย์ดาพวกเหลือกัอาจารย์ดาก็าแปลเภาษาไทยอาจารย์สมสงโอ้หลวงพ่อทํำไมไม่พูดภาษาไทยโดยตรงมันพูดไม่ได้อยู่หนูจะสอนให้เอาไหมเออก็ดีเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์สมสงมุลยลีก็สอนภาษาพูดภาษากลางให้หลวงพ่อเทียนเรื่องของเรื่องอ่ะพอผ่านล่ามมันไม่ทันใจใช่ไหม อา้าวหลวงพ่อเรียนไม่กี่วันหลวงพ่อพูดภาษากลางได้เลยอันนี้จะเป็นเทคนิคของหลวงพ่อที่จะล่อเอายมเรียยังไงก็ไม่รู้บางทีท่านก็พูดได้นะแต่ว่าท่านแต่ว่าไม่รู้โยมต้องสอนนะ่าจ ม, มาอะสอนสอ น, สอนไม่กี่วันพูดได้เลยพอพูดได้ทีนี้ก็พูดโดยตรงทีนั่นคือสาเคยฟังอาจารย์กฤต ท, ทวนทุวันเนี่ยพออาจารย์สมทรงมาเรียนกับหลวงพ่อเรียนก็ตามมาทีนี้เออไปฟังพระลุมนี้แปลกๆว่า ง, งั้นนะมีอะไรแปลกๆก็ไปฟังฟังไปฟังมา คนมันแปลกเพราะอะไรเรื่องใหม่ๆแปลกๆนะคนมันก็เจอเห่กันใช่ไหมก็พากันทยอยจากอาจารย์กวิทย์มหาหลวงพ่อเทียนตอนแรกฟังอาจารย์กวิทเป็นร้อยๆเนี่ยเอ๊ะบางไปบางไปอาจารย์กวิทชักเอใจเอ๊ะนักศึกษามันหายไปไหนก็รู้ว่าไปหาหลวงพ่อเทียนนี่อาจารย์กวิทเล่าเองนะเพราะวันหนึ่งมีการอ่า <c oughs> อภิปรายสัมมนาระหว่างผู้นำทางศาสนาที่รชุธรรมนูญถ้ามีกิจกรรมหน่งนี้บ่อยของคิดของอิสลามของพุทธมาสัมมนากันกอยสัมนาก็มีการบรรยายทีนี้หลังจากการบรรยายเสร็จของพระเทียนท่านแอบไปอยู่ที่บันไดขึ้นสะลานะเข้าไปถามอาจารย์กวิทเออท่านพูดดีนะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนั่นแ <c oughs> ท่านรู้เองหรือว่าเรียนมาฉันก็วิชก์เลยนะนบอล น, นะโอ้จังปุติไม่ได้ถามมาแบบนี้นะ น, นี่หมายของไม่เอี <c> ่ย <oughs> ว่าท่านรู้ท่านรู้ของท่านเองหรือท่านเรียนมาเนี่ยแต่สมัยนั้นคุณวินายสมแอลอะไรที่เป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องพระเจ้ากับเรื่องปรามัดเป็นเรื่องเดียวกันนะเออท่านก็ บ, บอกว่าเออในวินัยคนนั้นพูดเข้าท่านะตรงเลยนดะ แต่สิ่งที่ท่านพูดท่าเรียนมาท่านรู้ตรงนี้อาจารย์กวิทคิดหนักเลยแล้ววันต่อมาหลวงพ่อเทียนไปหาอาจารย์กวิทเออไม่ใช่ดิอาจารย์กวิทเนี่ยไปหาหลวงพ่อเทียนไปถามว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีพระไตรปิฎกเล่มไหนบรรทัดอะไรต่อตัวสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกใช่ไหมเพราะลูกศิษตัวเองหายไปเยอะไปหาหลวงพ่อเทียนก็สักสงสัยหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ 40. คำได้ทราบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบันทึกกว่าจะบันทึกลงพระไตรปิฎกนะเวลาผ่านไปเท่าไหร่อาจารย์คุยโดกรยห้ปีสังคยาณาขั้งที่สามใช่ไหมมีการจาร์พระไตรปิฎกลงเป็ น, น, น450ปีเอ๊ะท่านอายุ4ี่ปีท่านจำได้ไหมว่าพ่อแม่สอนท่านคำแรกเนี่ยสอนว่ายางไรดีรไม่ดีสอนว่าย่างไร อาจารย์กูก็ไม่รู้วพ่าจะมาไหมไหนะนึกไปนึกมาจำไม่ได้หลวงพ่อท่านอายุสี่สิบปีพ่อแม่จําสอ น, นจําไม่ได้อั น, นี่สี่ร้อยหสปีมาตราพิโดแล้ท่านแน่ใจเพราะตราพิโดมันถูกทั้งหมดโอ้โหอาจารย์กูวิ่งพเจอคําถามคํานี้ท่านอึ้งเลยนี่คือหลวงพ่อเทียนว่าอายุสี่สิบยังจำไม่ได้แล้วพ่อแม่สอนอะไรแต่อันนี้สี่ร้อห้าสิบปีและสิ่งที่จำมาจารย์ทั้งหมดมน่ะคุณว่ามีพุทธศาสนาอยู่กี่เปอร์เซน็น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 เป็นกรฐานที่ละเอียดอ่อนเหมาะแก่คนที่มีสติสัมยบเป็นเลิศแต่ไม่เหมาะสําหรับเผาคนปานกลางที่อินรีขนาดนี้ศรัทธาขนาดนี้เพราะอะไรโครงสร้างของเราเนี่ยมันไม่ใช่คนโบราณถ้าคนโบราณนี่เขาโครงสร้างเข้มแข็งใช่ไหมแล้วก็เขานั่งทีห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยไม่นิ่งไม่กระดิกเลยแต่ได้แต่เราแค่สามสิบนาทีเป็นไง เ, เปลี่ยนเป็นลูกกีหาแล้วนะ่ะ อันนี้เราโครงสร้างของร่างกายสติปัญญาของคนสมัยนีย้มันไม่เข้มแข็งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเอานาปาเนี่ยมันไม่เหมาะกับอินซีของเรามันดีเกินไปนะมันดีเกินไปถ้าเป็นชาวนาเนี่ยจะมาใช้แลป็ปท็อปอย่างเราเนี่ยไม่ได้ถ้ามาจากก็ต้องมาใช้ต่อยแค่ต่อยพิมพ์ดิ้นก็จะต่อยไม่เป็นอยู่แล้วชาวนาใช่ไหมไปพิมพ์ดิ้จิ้มเมื่อก่อนนะอ่ะอาจจะมาใช้แลป็ทปท็อปเท่านั้นกิกเท่านี้ฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยไม่ได้เพราะอิซีมันต่างกันก็เลย ท่านบอกว่าในเมื่อกรรมฐานานดาปัตรสติมันดีเกินเกินกว่าอินทรีย์ของเราก็จะต้องลดลงมาตามลำดับอีกนิดหนึ่งก็มาใช้หมวดที่สองที่สามซะอันนี้คือเหตุผลของท่านหมวดที่สองที่สามว่าคือหมวดด้วยอิเดิยปถาปะากับสัมปชัญญปะปภพะถามว่า การช่อนาปนสติสําเร็จประโยชน์ไปสําเร็จประโยชน์ดได้แต่คุณนั้นจะต้องมีอินทรีย์เข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งจีรไกเข้มแข็งศรัท ธ, ธาเข้มแข็งความเพียรเข้มแข็งสติสัมถิัญญาต้องเข้มแข็งแต่ของเราเนปานกลางเท่านั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสําเร็จยากไม่ใช่ไม่สําเร็จนะแต่พอมาใช้ตัวนี้เราไม่ได้พเพศอนาปานะแต่บวกอันนี้เข้าไปเป็นกําลังอีกสองกําลังเป็นกําลังสองกําลังสคือบวกเอริบทีสีเข้าไป บวกอิริบทย่อยเข้าไปเพราะนั้นในส่วนอิริบทสให้รู้ยืนเดินนั่งนอนให้ชัดชัดอย่างไรชัดลงไปถึงอิริบทย่อยก็เอาอิริบทย่อยเข้ามาอีกไอ้บทย่อยท่านว่ายัางไงมีขีส่สวดบอกอภิกันเตปฏิกันเตสัมบชนะกาลีหติเดินไปข้างหน้าให้รู้สึกัวทั่วพร้อมว่าเดินไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้พระาบิโดว่านะไม่ได้ไม่ได้ว่าเองนะบัดเวลามาถอยไปข้างหลังเรากลับไปข้างหน้าต่ออีก เดินยโยกมือใช่ไหมเราเดินข้างหน้าตลอดมันไม่ครบแต่ปฏิกันเตไม่ใช่ไปอย่างนี้ตอนอย่างนี้ปฏิกันเตไปข้างหน้านี่อภิกันเตและปฏิกันเตถอยการถอยกลับมาข้างหลังปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติเพราะนั้นธรรมาตอนหลังมาก็มาใช้เวอร์ชันนี้เพราะกฎของการปฏิบัติไปได้ไวมากเลยแต่ไปพูดไม่ได้เดี๋ยวคอยหาจะาว่าเพี้ยนนะ่นะแต่อันนี้บาลีเขาว่าอย่างนี้จริงๆว่า ถอยกลับมาข้างหลังคือถอยอย่างนี้ไม่ใช่ถอยไปอย่างนี้อันนี้มันก็เดินข้างหน้าเลื่อยไปดีใช่ไหมมันเพียงแต่กลับเท่านั้นเองแต่ปฏิกันเตนต้องเป็นอย่างนี้รับได้ไม่ได้ก็ตามอันนี้พระบาลีว่าเอาไว้ถ้าเราไม่เห็นด้วยก็หมายควว่าค้านพุทธิยาอเลยใช่ไหมอันนี้คือสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าไง อะโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญะกาลีหุติเหลียวซ้ายไหลขวาโยมเหลีวซ้ายไหลขวามาตลอดชีวิตมีสักครั้งไหมโยมตั้งใจเหลวมีไหมแ<ม>ทบจะนึกไม่ได้เลยมันอาจจะมีตอนช่ำเรืองดูดูอะไรสักอย่างนะแต่เป้าหมายไม่ที่อยู่ที่คอที่หัวแล้วเป้าหมายไปอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งตอนเหลียวนะอันนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะแบบนี้แต่ท่านเหลวให้รู้อะโลกิเตวิโลกิเต สัมปชัญ ก, กาลีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอโลกิเตเป็นไหมไม่เป็นชั่งง่วงเราเห็นไหมฟังหลวงพ่อง่วงนี่ไม่ใช่ธรรมดาเม่คืนนอนไม่หลับแน่ตาวุา่นดีคนฟังหลวงพ่อจะตื่นตัวแล้วก็ยิ้มอยู่เสมอนะอันนี้ถ้าง่วงนี่แสดงว่าอาการหนังเมื่อคืนไม่ได้นอนใช่ไหมอ่าทางใจนี้ ห, นหายใจลึกๆอ้าวท่านนั่งพิงนี่มันมันหลับแน่เพราะอะไรเพราะความเพลินต้องนั่งครึ่งหนึ่งนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเพราะว่าจะให้น้ําหนักทรงตัวมันมันตื่นถ้าพิงปั๊บนี่น้ําหนัก การทรงตัวหายไป8ปดิเปอร์เซ็นต์พอจังกลัวปั๊เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันจะง่วงมืนตาแล้วดูหน้าหลวงพ่อเนเสร็จแล้วอันที่สามว่าไงอันที่สามว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชานกาลีมีความรู้สึกตัวทุพพมในการคูเข้ามาก็เหยียดมือออกไปสัมมินชิเตคูเข้ามาปาสาลิเตเหยียดออกไป หลวงพ่อเทียนก็เลยเอ๊ะมันเหยียดมันคูโดยที่ไม่มีระบบเนี่ยมันเอาเป็นแบบไม่ได้ท่านเลยมาจัดเอาระบบเหยียดคูเนี่ยให้เป็นจังหวะโอ้ตรงนี้เองเป็นที่มาของคาว่าจังหวะดหลวงพ่อเทียนเอามาวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยนะว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไปว่าจังหวะนี้ก็มาจากคําว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชานากาลีโหติเพราะนั้นใครบอกว่าวิธีนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกบอกว่ามี แต่คุณตีบทไม่ถูกเองว่าบทที่สามข้อที่สามของสัมปชัญญปะพระหมวดที่สามของกายานุปัสนาโยมเอาไปอ้างได้เลยไม่ผิดนะเพราะว่าอันนี้คือนําตัวนี้เข้ามาประยุกต์เป็นระเบียบเท่านั้นเองถ้าหาไม่ยุบเป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผืนเอาสติมาต่อกันอย่างเงี้ยให้มันเป็นผืนเรียกว่าเอาสติเป็นฐาน เราจับมาต่อกันเหมือนปูกระเบื้องเนี่ยโยมต้องต่อกันต่อกันให้เรียบร้อยสวยงามด้วยใช่ไหมที่จะ ต, ต่อไปทั่วเนี่ยมันก็ไม่สวยอันนี้เหมือนกันหัวเหยียดที่มันกระชุยกระจายเนี่ยมันไม่สวยไงไม่เป็นระเบียบเป็นฐานของสติไม่ได้กรรมเรียงเสมอไปเวลาโยมปูกระเบื้องหรือก่ออิฐอะโยมก็มาเรียงตามลาดับอันนี้ก็เหมือนกรรมเรียงนะทุกคนตั้งตังตวตรง <c oughs> วางมือทั้งนับต้อนับทั้เครื่อนทั้งหยุดนะไม่ใช่นับเครื่องอย่างเดียวหรือหยุดอย่างเดียวนะลองนับดูบเอา กิ่สี่นี่นับเคลื่อนหรือนับหยุดมันมีเคลื่อนแล้วมีหยุดนับหยุดนับหยุดเหรอนับหยุดนับหยุดด้วยอะเคลื่อนเลยนับไหมเค่จนมันไหวอ่ะไหวได้นับไหมไม่ได้ไม่นับอ่าเอาเนนับทั้งสองอย่างที่นี่นะจะได้เท่าไหร่เอาโอ้นับไม่ถูกนับทั้งวันคงไม่ครบแน่เลยแบบนี้เอาน้อพ่อจะพานับนะหนึ่ง อ่ค right? ือหยุดใช่สองคือเคลื่อนใช่ไหมสคือหยุดอ๋อลอ๋อละอ่ะคือหมายคนับทั้งเคลื่อนทั้งหยุดไงแต่อันนี้คือ 1. หนึ่งหยุดใช่ไหมสองเคลื่อนใช่เคลื่อนแล้วสหยุดสหยุดอ่เคลื่อนห้าหยุดหเคลื่อนเจหยุด 8. ปด เคลื่อนกหยุดสิบเคลื่อนสิบหยุดสิบสองเคลื่อนสิบสามหยุดสิบสี่เคลื่อนสิบหาหยุดสิบหเคลื่อนสิบเจ็ดหยุดสิบเคลื่อน19หยุดีสิบเคลื่อน21หยุด 22สองเคลื่อน23หยุด24เคลื่อน25หยุด26หเคลื่อน27หยุด28เคลื่อน29หยุด29่นไม่ใช่14เทีย28่อนับเป็นนัาพลาดเตรียมด้วยแต่ความจริงมันก็คือ28นาพลาดเตรียมด้วยเป็นเป็น <20. S 2> ยี่สิบกา้านั่นนั้นจะเห็นว่าความถี่ของลมหายใจนี่ก็คือมีสองคือเข้ากับออกใช่ไหมที่รู้ชัดชัดนะแต่อันนี้ความถี่ของที่มันมียี่บเก้าคือเคลื่อนกับหยุดเพราะความถี่มันสูงกว่ากันที่ว่าทํำให้สติมันเกิดไวเนะี่ยหลวงพ่อเทียนเลยเมื่อถึงเจ็ดปีถ้าทาต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องแเขาบอกเอาแค่สามปีก็พอเพราะงั้นรู้แน่นอนเลย แต่ทีนี้เราจะรู้ถีได้ขนาดไหมอันนี้คือปัญหามาก็ว่าเออหลวงพ่อเทีนดียังไงหลวงพ่อหลงพุทธเจ้าท่านกาหนดว่ทั้งเจปีหลวงพ่อเทีนเอาสปีหมายความว่าไงตรวจสอบใหญ่เลยคือคือเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรแบบไม่มีการตรวจสอบอันนี้คุณคุณสมบัติของคนที่ศึกษามาก่อนนะก่อนที่จะเชื่ออะไรเนี่ยต้องตรวจสอบแต่คนชาว บ, บ้านทั่วไปที่ไม่มีการศึกษาเขาเชื่อก็เชื่อเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ตรวจสอบเพราะอะไรเป็ น, ปนอย่างนั้น แต่ที่เราเป็นศึกษาเป็นครูอาจารย์เราจะเชื่ออะไรโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบมันถูกหรือมันผิดเพราะอะไรเนี่ยอันนี้คือข้อดีของคนที่มีได้รับการศึกษามาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะมาจลดหมูพอดีเอามาตรวจสอบทุกมืมันตรงไหนมันมันไม่แมตกันตรงไหนไม่สัมพันธ์กันตรงไหนเนี่ยมันผิดตรงไหนเนี่ยมาจับมาลงตัวกันหมดเลยโอมารับเต็มที่เลยตั้งแต่ปีสามศูนย์เป็นต้นมาถึงปีเนี่ยมาไม่เปลี่ยนแปลง อย่างอื่นเอาอย่างเดียวแต่พอรู้นี่อย่างเดียวมันทะลุมุนหมดเลยนะพวกหนอพวกพุโทโธพวกสัมมไปได้หมดเลยเพ่ออะไรพ่อตัวนี้สติมันเป็นฐานของกรรมฐานใช่ไหมพอทําสติได้ถูกต้องมันจะต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะนะถ้าสติอย่างเดียวถ้ามีมีสัม ญ, ญาไม่ใช่สัมมาสตินะคำว่าสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะอาตาปีสัมปชานูสติมาไงและถ้าจะเป็นสัมมาสติสัมปชัญญะต้องมาก่อนด้วย เวลาไปสวดจะไปว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนผิดนะแต่ในหนังสือเขาอาตาปีสัมปะชานโนสติมาเอามาเ็ว่าเอ๊ะทำไมสัมปะชาโนก่อนไม่ใช่มาสติก่อนนอ๋อความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีสติเข้าไปรู้มันก่อนที่เราจุดตะเกียงน้ำมันตะเกียงมันต้องมีอยู่ก่อนใช่ไหมถ้าตะเกียงน้ํามันไม่มีก่อนจะไปจุดตะเกียงติดไหมไม่ติดตัวสัมปะชญ า, าเหมือนกันน้ํามันอยู่ในตะเกียง ตัวสติเหมือนก็เราจุดไฟไปจ่ออีกทีหนึง่งอ๋อมันจะต้องมีสัมมัชยะอยู่ก่อนเพเียงแต่เราไปแตะรถเนี่ยกําลังน้ำ ม, นมันมันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมเพียงแต่เราไปหมุนกุญแจไอ้ตัวหมุนกุญแจนี่คือตัวสติแต่กําลังของพร้อมมันมีอยู่แล้วเนี่ยแปลว่ารูดพร้อมทั่วพร้อมยไงสัมมัชยะไอ้ตัวมันพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่เราไปจุดอันนี้เหมือนความรู้สึกตัวมีอยู่พร้อมทุกคนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้จุดตัวสติขึ้นไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนั้นมีประโยชน์ไหม ไม่มีเทียนไขก็ดีตะเกียงน้ำมันก็ดีถ้าเราไม่ไปจุดเนี่ยมันตั้งอยู่ในที่มืดมันสว่างเองได้ไหมไม่ได้เราจะต้องไปจุดมันความรู้สึกตัวทุกพรอมีเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเราไม่เอาสติเข้าไปจุดเนี่ยความรู้สึกตัวทุกพร้อมันจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ไหมสว่างขึ้นมาไม่ ไ, มได้เพราะนั้นตัวสมัมมาญามันพร้อมที่จะให้เกิดแสงสว่างคือปัญญานี่คือที่ไปที่มานะ อ, อ้าเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะจำไม่ได้ในเะช้าเนี่ยเพราะฉั้น หลังจากนี้ต้องไปนั่งทำเองแล้วนะอ้าวเอาหม่ยไม่ต้องนับหล้วที่นี้ให้รู้การยกแต่นับนให้รู้ว่ามันมีความผี่เท่าไหร่เท่านั้นเองว่ามันความผี่มันสูงกว่าลมหายใจแต่รู้ให้ชัด น, นะถ้าแข่งไปแป๊บๆๆๆๆๆดไม่รู้อยู่รู้เคลื่อนนี้ก็เลยว่ามันก็ตัวรู้ก็ไม่แ น, น่นอตัวรู้ก็ตัวรู้หลวมๆตัวรู้ไม่ไม่เข้มแข็งเปอร์เซ็นไม่สูงนั้นแถละถ้าชาัดอย่างนี้เปอร์เซ็นตัวรู้ก็จะสูง ความไวความแรงความชัดก็จะพอให้รู้ทั้งเคลื่อนทั้งอยู่ไว้ก่อนเราเป็นนักเรียนใหม่ให้รู้ชัดไว้ก่อนไปเห็นนักเรียนเก่าเขาทำไวไปเทาไม่ตามเขาไม่ได้นะเราพึ่งเขียนกระไก่ฝึกเขียน้มันสวยๆก่อนจะไปเอาพวกปถมัธยมหรือไฮซูขูนเขียนให้เรากเรา ก, เราก็ตามเขาไม่ทันหรอกจําได้ทุกคนไหมจําได้ไหะไหนทําให้น้องพอดูนะพ่อเดี๋ยวในหลังทานอาหารเช้าเราต้องไปทั่งทำเองถ้าจำไม่ได้ก็นะ แต่ส่วนใหญ่ทําได้พ่ะอาจารย์ประสันท่านแนะอยู่แล้วเนาะแลโชคดีที่อาจารย์ท่านก็อชอบวิธีนี้ด้วยอาจารย์ประสันนะท่านเคยศึกษาวิธีนี้มานี่คือโชคดีของพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะกรรมฐานเนี่ยมันอยู่หลายวิธีวิธีนั้นวิธีนี้ตั้ง 40, 40วิธีท่านว่าเวลายอมกินอาหารในภาชนะเนี่ยบุญดีบนโต๊ะอาหารเยอะเนาะ สิบอย่างยี่สิบอย่างโดยเฉพาะที่นี่กับข้าวเยอะมากเลยแต่ถ้าเราจะทานทีเดียวกินหมดทุกอย่างทุกถ้วยพร้อมกันได้ไหมไม่ได้มันเพื่อกินทีละถ้วยใช่ไหมคุณจะกินถ้วยเดียวอาหารเช่นเดียวอิ่มก็ได้มันก็เหมือนอิ่มทั้งหมดอแต่เพื่อความอร่อยอันนั้นบางอันนี้บ้างผสมผสมกันไปอันนี้เมื่อกันการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําเดินจงกลมข้าวหน้าถอยหลังแล้วก็ทํา รมหายใจแล้วก็ทําแต่อย่างละนิดหน่อยผสมผสานกันไปให้มันเป็นหลักของตัวรู้เท่านั้นเองถ้าตัวรู้อย่างเดียวจิตของเรามันเป็นไงมันไม่ชอบความซัมซักใช่ไหมมันชอบเปลี่ยนแปลงอยู่เลยแล้วก็เปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่นบ้านเปลี่ยนช่องเปลยนรถเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนมาเรื่อยเร่อยเพราะจิตมันไม่ชอบซัมซักนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของโลกิยวิสัยคือเปลี่ยนแต่สิ่งข้างนอกแต่เราไม่ได้เปลี่ยนข้างใน แต่ทําอย่างนี้เราซ้ำซากข้างนอกแต่เราไปดูการเปลี่ยนแปลงข้างใ น, นถามว่าโยมเนี่ยทานอาหารตั้งแต่เกิดจนไปถึงปัจจุบันเนี่ยคำว่าอาร่อยนี่มันเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแต่อาหารมันเปลี่ยนมามทุกชนิดแต่คําว่าอาร่อยไม่เปลี่ยนแปลงคําว่าไม่อร่อยนี่เปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงมันก็มีแค่สองคอนเซปต์หลักมันนะ แต่ทำไมเราเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆละ่ะเพราะเราไปติดที่อร่อยหรือไม่อร่อยตรงนี้ดีการอร่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่อร่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อะไรเปลี่ยนแปลงอาหารเปลี่ยนความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามรสอาหารนะพ่อแม่ของเราในป้อนเรามาแค่ข้าวกับกล้วยใช่ไหมจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราไม่รู้เปลี่ยนไปเลยกี่หมืน่นกี่แสนอย่างแล้ว แต่ความอร่อยอร่อยมันก็แค่อย่างเดียวนั่นแหละมันไม่เปลี่ยนว่าอร่อยหนักอร่อยเบาอร่อยมากอร่อยน้อยอร่อยดําอร่อยขาวอร่อยเขียวไม่มีนะมีแค่คืออร่อยก็คืออร่อยแค่นั้นเรื่องนี้คิดให้ดีนะเพราะในตัวรู้สึกก็มีสองรู้สึกตัวพอใจไม่พอใจอตัวชอบหรือไม่ชอบตัวหนักตัวเบามันมีแค่สองอย่างเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะจะพูดกันหลายวันนะเพราะฉะนั้นจําได้ทุกคนใช่ไหมเพราะหลังจากนี้แล้วเนี่ย ตอนไปทานข้าวกับมาเราก็จะมาใส่บาทกันที่นี่ใส่บาทหลังทานอาหารไม่ใช่ข้าวแล้วนะใส่บาทได้เลยใส่บาทมือถือใส่บาทพระเครื่องใส่บาทสร้อยคอเอามาใส่บาทแล้วหลวงพ่อจะเก็บเป็นธนาคารเอาไว้ายในอแต่ต้องจําของตัวเองให้ดีนะ ปนสร้อยของตัวเองหนักสามบาทเพระวะนนั้นมาของหนักของสันหนักห้าบาทนะหลวงพ่อนี่ทำไมเหลือสามบาทโอโหตีกันยุ่งเลยที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจุดนั้นด้วยนะแล้วเราเพื่อจัดสายโซ่แห่งนานที่จะมารบ ก, กวนเร า, เามามีประสบการณ์ว่า เวลาคนมาปฏิบัติเนี่ยบางคนเขาเป็นนักเล่นพระเนี่ยห้อยพระมาเต็มคอเลยนะเอ็มาก็คอยสังเกตว่าระหว่างคนไม่แขวนพระกับคนแขวนพระไอ้คนไหนมันจะเข้าใจธรรมะก่อนกันปรากฏว่าคนที่ไม่แขวนพระมันเข้าใจก่อนเอ็มาก็มาวิเคราะห์อเอ๊ะเพรา อ, อะไรอ๋อคนแขวนพระเนี่ยมันมีอุปท า, านในพระตัวอุปท า, านในพระนั่นเองไม่ใช่พระไปขวางนะแต่อุปท า, านมันขวางใจกลัวรพระจะหายกังวิตกกังวลจะอาบน้ําจะเอาไว้ตรงนังน้นตรงนี้ใช่ไหม ก็เลยเอาพระออกคือเอาตัวอุปทานออกพระหลวงปู่หลวงตายที่เป็นรูปเปเรียนท่านไม่มีอะไรจะไปขวางเราหรอกไป็นอุปทานของเรานะเพราะเราอุปทานออกแค่นั้นธรรมะมันเข้าเลยเพราะฉะนั้นเพียงแต่เอาอุปทานออกเฉยแต่อุปทานมันก็ติดของเของเรนแหละเของมีค่ามากเท่าไหร่อุปทานก็สูงเท่านั้นใช่ไหมของมีค่าแสนอุปทานก็แสนของมีค่าหมื่นอุปทานก็หมื่นของมีค่าร้อยอุปทานแค่ร้อยถ้าไม่มีของเลยเนี่ยอุปทานเรื่องนั้นก็ไม่เกิด แต่มันก็จะเปิดในเรื่องอื่นต่อไปนะอันนี้คือเหตุนบทว่าเพราะเหตุไรเราจึงเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เราได้รู้ทำได้ไวขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่อยากจะรู้ก็ไม่เป็นไรก็แขกเด่ยวกันก็ได้ไม่ว่ากัน <laughs> สิทธิของใครข้องวันน ะ, ะตกลงว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ว่าหลังจากเราทานหารเสร็จแล้วเรานัดกัประมาณ ถ้าคนไหนไวที่สุดก็แปดมงคนใดชา้าที่สุดก็ไม่เกิน8ปดมงครึ่งนะหมายก็ว่าแมงครึ่งเราพร้อมแต่คนไหนรู้สึกไวยังไม่พร้อมก็มาเดินโยกมือามาซ้อมจังหวะแล้มาซ้อมการเคลื่อนไหวมูเว้นสิบท่าดูว่าจําได้ไหมถ้าคนไหนที่เสร็จก่อนนะนะตอนเชา้าเราเรียนรู้ตั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมเรียนรู้เคลื่อนไหวมูเว้นทั้งสิบท่าเรียนรู้การหายใจเรียนรู้การเคลื่อนไหวยกมือในะทั้งเพราะนั้นคนไหนเสร็จก่อนก็มาซ้อมดูว่าที่เรียนไปตอนเช้าเนี่ย จำอะไรได้บ้างจำอะไรไปได้บ้างเพื่อมันจะได้มาซ้อมกันใหม่เข้าใจไหมโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้เกิดสติปัญญาจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมโดยแท้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน